ท่านฟังที่เคารพคะ่ะมาถึงช่วงเวลาที่จะได้ตามคณะของพระคุณเจ้าพระเพรลุญอภิปุลโนพระมาชาควโรพระอาจารย์คึกฤทธิโสธิพโลเดินทางไปสังเวชนียสถานที่อินเดียโดยในช่วงนี้พระอาจารย์เพรบุญอภิปุลโนจะเป็นผู้ที่มาบอกเล่าให้สอดคล้องกับพระสูตรที่พระมาชาควโรได้อ่านไปด้วยนะคะในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จนะค่ะนมัส ก, การท่านคะอาจารย์ปา อยู่ที่พุทธคยากันก่อนที่ท่านจะไปต่อเดี๋ฉันขอเล่าสักนิดถึงต้นโพสั้นๆนะคะว่าบริเวณนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญชาวอินเดียเขาเรียกว่าอัดสวรรัส์หรืออัดสัตว์หรือปิบละนะค ะ, ออะพอพระพุทธองค์เนี่ยไปตรัสรู้ภายใต้ต้นไม้ชนิดนี้จึงได้ชื่อว่าต้นโพ <All right. S 1> แล้วก็ กลายเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาต้นปัจจุบันนี้ว่ากันว่าปลูกเมื่อปีคริสตศักราช1 900คือมาถึงปีนี้2010ก็ปลูกมา200เอ้อขออภัยค่ะปลูกมา110ปี100ปีใช่ค่ะก็เป็นเรียกว่าต้นในในเจเนอเรชันถัดมาจากต้นแรกนะคะแล้วก็พูดถึง ถ้าอาจารย์ได้ฟังเกี่ยวกับประวัติความเป็นมากว่าที่ชาวพุทธจะได้พุทธคยาเอามาไว้เป็นที่ระลึกถึงพระพุทธองค์หรือยังค ะ, ะก็ได้ยินได้ฟังมาว่าสถานที่นี้นี่เมื่อก่อนก็ถูกครอบครองโดยเจ้าของพื้นที่อยู่แล้วกว่าที่เราจะเข้าไปไปพบไปเห็นไปบุรณะสึ้นมาได้ก็ใช้เวลาเป็นหลายสิบปีใช่ค่ะคือยากเย็นเข็นใจมากเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็น ที่ดินที่จะกระพัดโมกุลได้พระราชทานให้กับทางนิกายมหันซึ่งเป็นนิกายหนึ่งของลัทธิฮินดูนะคะ<อ>ทีนี้ก็มีความพยายามเรื่อยมาเลยที่จะขอกลับไปแม้แต่กระทั่งที่สมัยของพระเจ้ามินดงของพ ม, อม่าเมื่อปี2351เนี่ย<อ>ก็ได้ทรงขอแต่ก็เหมือนกับว่ารับปากก็จะให้สุดท้ายก็ไม่ให้นะคะแล้วต่อมามีชาวอังกฤษคะ่ะ เขาศรัทธาศาสนาพุทธอย่างเช่นเซอร์แล็กซ์นเดอร์คันนิงแฮมอันนี้ก็จารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ที่ชาวพุทธต้องขอบคุณน ะ, นะคะว่ามาช่วยบูรณะแต่ยังไม่ทันบูรณะเสร็จพมา่าอังกฤษก็รบกันขึ้นแล้วจนมาอีกช่วงหนึ่งได้มีชาวอังกฤษอีกค น, นชื่อเซอร์เอ็ดวินอาร์โนลนะคะมาเห็นว่า สถานที่นี้เนี่ยควรตกเป็นของชาวพุทธถึงขนาดไปแต่งหนังสือกับทําหนังสือต่างหากเรียกร้องรัฐบาลอังกฤษให้ยกพุทธกยาให้ชาวพุทธและในเวล า, กลาใกล้ๆ ก, กันบุคคลคนนี้เดี๋ยวก็คิดว่าชาวพุทธไม่ควรจะจา่าฤกษ์ชื่อท่านไว้ท่านเป็นชาวลังกาชื่อท่านใช่อนาคาริกธรรมปาละค่ะได้เป็นผู้นําการต่อสู้ ในการที่จะได้พุทธคยามาเลยด้วยเหมือนกันน ะ, นะคะตอนนั้นท่านอายุแค่29เรียกร้องชาวพุทธทั่วโลกเลยให้เจรจากับมหารส่งพระไปอยู่ที่นั่นสี่รูปขอซื้อที่ดินซึ่งก็มีการยื้อกันไปยื้อกันมาขายบ้างไม่ขายบ้างจนกระทั้งท่านกลับไปประเทศของท่านนะคะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีผ่านไปมาพบว่าพระภิกษุที่ท่านส่งเข้ามาอยู่เนี่ยถูกตีเกือบตายเลยค่ะ ขณะที่กำลังปฏิบัติธรรมอยู่ก็เป็นที่เศร้าสลดกันมากทางมหารเองก็ไม่ยอมเอาตัวคนที่ทำเนี่ยมาลงโทษทีนี้ถัดมาเลยนะคะจากปี 2,430 กว่าที่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยพอปี 2,445 ทีนี้เคลื่อนไหวกันทั่วโลกค่ะโดยเซอร์เอ็ดวินอาร์โนที่ว่าเนี่ยร่วมกับฝรั่งทั้งนั้นเลยนะคะไปเปิดไฮพาร์คทั่วอเมริกา ชาวพุทธก็มีพลังต่อความเคลื่อนไหวนั้นในขณะที่ทางด้านท่านทำปาระชาวลังกาที่ว่านะะตั้งทนายความสู้คดีชนะทั้งสองสารเลยว่าต้องมาเป็นของชาวพุทธเสียเงินเสียทองไปเยอะแล้วพอมาถึงคราวที่พักคองเกรสอินเดียเรื่องอำนาจชาวพุทธที่นั่นก็เรียกร้องต่อรัฐบาลให้ มีการตั้งกรรมการฝ่ายชาวพุทธขึ้นมาหคนฮินดูหคนดูแลมีกฎหมายบังคับด้วยมหาตามาารมคันที่บุคคลสำคัญของโลกของอินเดียน ะ, นะคะก็เคยได้กล่าวเรื่องนี้ว่าวิหารพุทธกยาเนี่ยควรเป็นของชาวพุทธท่านระพินนาถากูลก็เคยบอกว่าชาวฮินดูที่มีสัจจะต่อตัวเองเนี่ยต้องยอมรับนะว่าที่นี้สาคัญพระพุทธเจ้าในตรัสรู้ที่นี่จะตกอยู่ในความดูแลของาศาสนาอื่นไม่ได้ จนปี2490อินเดียได้รับเอกราชคืนจากอังกฤษนะคะสมาคมที่มีการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกร้องเรื่องนี้ชื่อมหาโพธิสมาคมก็พยายามรบเรา้าเรื่อยมาจนต่อมาอีกอูนุค่ะเป็นนายกรัฐมนตรีพรมา่าที่ดิฉันเกิดทันนะคะท่านก็มาไหว้พระที่นั่นแล้วก็เจรจาให้มหันคืนให้ชาวพุทธจนกระทั่งมี พิธีส่งมอบกันนะคะปีสองพันห้าร้อยสี่สิบอขออภัยค่ะเก้าสิบหกค่ะ oh. นะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าได้มาโดยยากอ่ะเพราะมีคุณค่ามากดิท่านจำเป็นต้องต้องอ่านหนังสือที่ท่านเจ้าคุณพระราชรัรนารังศีให้ฟังเนี่ยเป็นเพราะว่าอยากให้ชาวพุทธรู้ว่ายากเย็นเข็นใจจริงๆกว่าพวกเราจะได้มากราบไหว้บูชากัน mm. ค่ะทีนี้เหลือเวลาไม่มาก คงจะต้องให้ท่านไพบูลน์พาต่อไปที่ในพุทธคยานี้ลละค่ะอ๋อก็หลังจากที่พระเจทธเอาของเราตรัสรู้แล้วอย่างที่ท่านมากอ่านเมื่อตอนต้นรายการนะว่ า, าตรัสรู้แล้วเนี่ยได้เขาเรียกว่าทำลายขวิชาให้ขาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาคิดว่าผู้ที่อยู่ไม่มีที่เคารพกไม่มีที่พึ่งพานักย่อมอยู่เป็นทุกข์ อ่พาพรทีเจ้าของเราเป็นผู้ตรัสรู้แล้วได้โดยชอบได้โดยประอ ง, องเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่มีคะ่ะแต่คนที่ไม่มีที่พึ่งไม่มีอาจารย์คอยที่อ่าจะเป็นผู้ที่เรียกว่าคนที่เราเลื่อมใสหรือคนที่เราจะคอยฟังเนี้ยนะเขาจะว่าอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ไม่ถูกต้องนี<ะ>้เราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งดีพุทีเจ้าก็มาคิดป ร, ริบิตกนะก็ได้ความคิดออกมาว่าถ้าอย่างนั้นเราเอาธรรมที่เราตรัสรู้แล้วเนี่ยเป็นที่พึ่งดีกว่า ผู้าก็บอกว่ า, า <c oughs> เราพึงสักการะเคารพธรรมนั้นเข้าไปอาศาัยอยู่แล่เเลอยู่เถอะก็คือว่าเอาทําเป็นที่พึ่งาสารบารีพรมนะได้ทราบข้อมูลนี้แล้วก็เลยมาอนุมโมทนาด้วยเหมื อ, อนอย่างหลวงพ่อตั้งเรื่องสะอาดอาจารย์ก็จะมาที่ที่อุดรธานีเจ้าวาดมัสปาตอนหนายโศกหลังจากที่ครูบาอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่เทศใช่ไหมได้ล่วงลับไปเนี่ยท่านก็ หาที่พึ่งคือหาคูบาอาจารย์ใหม่หมายถึงว่าคือหาที่พึ่งที่คอยที่จะเป็นหลักของใจอยู่คือทางใจเนี่ยเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ละเราทำอยู่ละใช่ไหมนี้ทางกายแหละเราจะไปหาคูบาอาจารย์องไหนที่คอยอดูแลกันได้อะไรต่างก็มาหาหลวงพ่อประสิทธิ์อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็เป็นเป็นข้อคิดที่ดีนะว่าเออคนเราก็ควรจะมีคูบาอาจารย์ที่คอยจะอบรมสั่งสอนแนะนําตักเตือนเราอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้า มีธรรมะานี้เป็นที่เคารพบูชาค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสาบรบดีพรมก็บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้านะทั้งในอดีตองค์นี้แล้วก็ปัจจุบันที่จะอนาคตที่จะมาเนี่ยก็มีเคารพพระศธรรมเอาพระศธรรมเนี่ยสิ่นที่พึ่งเหมือนกันอ๋อค่ะใช่คือหมายถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยเพราะว่าตรัสรู้เองก็เลยไม่รู้จะพึ่งใคร ต้องพึ่งธรรมแปลว่าธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดกว่าตัวบุคคลเลค่ะอ่าพระรูชาว่าก็บอกว่าตถาคตเป็นผู้หนังในธรรมเป็นผู้ครบในธรรมแล้วก็บอกอีกว่าในการใดที่หมู่สงประกอบด้วยคุณอันใหญ่ในการนั้นเราก็เครบรบแม้ในสงอืคุณอันใหญ่ในหมายถึงคุณธรรมขั้นสูงในธรรมะวินัยนี้เปน็นต้นค่ะเป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะในสิ่งที่พุทธองค์ตรัสเนี่ยมันเหมือนกับว่า บางทีเราอาจจะคิดว่าการที่จะต้องพึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมักจะนึกถึงการพึ่งคนที่เป็นคนที่มีชีวิตคนที่เป็นผู้มีอํานาจมีบรารมีแต่จริงๆแล้วพระพุทธองค์เองก็ยังพึ่งในส่วนที่เป็นคุณธรรมเพราะคุณธรรมคือสิ่งที่บริสุทธิ์กว่าหรือยังไงคะท่านคะถูกต้องการเอาง่ายๆการที่จะมาเป็นสมมาสัมพุทธะเนี่ยต้องมีคุณธรรมแบบนี้แบบนี้คุณถึงจะเอาตําแหน่งนี้ได้ เหนือไหมไม่ใช่ว่านายกรนายขอคุณอยากเป็นคุณก็เป็นได้สิมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุณมีคุณสมบัติไหมละ่ะค่ะความเมตตาระดับนี้มีความฉลาดระดับนี้มีคุณสมบัติมีข้อมูลแหล่งต่างระดับนี้น <C han> เหนืออหมเพราะงัะ้นไม่งั้นทุกคนในบริษัทเนี่ยก็จะเป็นซีอได้หมดสิเป็นเป็นเจ้าของบริษัทได้หมดใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าคุณสมบัติของบุคคล น, นั้นคุณมีไหมตํ <C han> าแหน่งนั้นมีไหม <C han> แต่ว่าในทางโลกุตระนะคือทางโลกโลกทั่ทวๆไปเนี่ย บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามีคุณสมบัติซึ่งบางครั้งคุณสมบัติไม่ครบแจะไปอุปโลกขอภัยนะคะบางคนในคุณสมบัติไม่ครบนะคะท่านอาจารย์ถูกถูใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องคุณธรรมเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณธรรมคือคุณธรรมอย่างไรเสียถ้าเรียกว่าคุณธรรมก็ต้องมีคุณสมบัติอันเป็นธรรมใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราจะกําหนดคุณสมบัติอะไรเนี่ยเอาคุณธรรมเข้าไปจับจะดีที่สุด ใช่มพระพุเจ้าก็เลยบูยงยเอคุณจะรู้ได้ไงคนนี้เป็นคนดีหรือเปล่าดูคุณธรรมของเขาสิเขาพูดดีไหมคิดดีไหมทําดีไหมง่ายๆโอ้โหนี่เป็นคุณธรรมทั้งนั้นเลยนะไม่ได้ดูว่าคุณต้องเกิดบ้านนี้อ่าเป็นนามสกุลนี้หรือว่าต้องมีเงินเท่านี้มีไรายได้เท่านี้ไม่เกี่ยวว่าคุณเป็นคนดีหรือเปล่าใช่ไหมมีสีไหมล่ะพูดดีคิดดีทําดีไหมล่ะเพราะนั้นอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยทบทวนอีกสักนิดหนึ่งถึงพุทธวจนะที่ได้ตรัสว่า เวลาที่พระสงฆ์เนี่ยถึงพร้อมด้วยคุณธรรมต่างๆพระองค์ก็พร้อมที่จะเคารพอะค่ะใช่แต่ท่านเจ้าหลังจากตรัสรู้เนี่ยนะมาคิดว่าผู้อยู่ไม่มีที่เคารพเนี่ยไม่มีที่พึ่งพนักย่อมเป็นทุกข์เราจะสักการะเคารพใครดีหนอก็เลยคิดว่าหาเอาทําเป็นที่พึ่งแล้วก็ตรัสบอกว่าสถาคตเนี่ยเป็นผู้หนักในธรรมเป็นผู้เคารพต่อธรรมแล้วก็ถ้าหมู่สง์ประกอบด้วยคุณอันใหญ่เราก็เคารพ ในการนั้นเรามีความเคารพแม้ในสงดังนั้นก็เลยพระสงฆ์เราเองเนี่ยถ้าคุณปฏิบัติตามธรรมนะมีคุณอันใหญ่ที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยให้เรารู้เพื่อเลยว่าแม้พระพุทธเจ้าก็เคารพแม้ในสงหมูนี้เหมือนกันค่ะสันเสริญสันเสริญสงหมู่นี้เหมือนกันมีพุทธวจนะที่จะเอ่ยถึงในกรณีที่อยู่ที่พุทธคยาอีกไหมคะ ที่พุทธคยาเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่บอกว่าหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยก็ท้อพระทัยในการแสดงธรรมเห็นไหว่าธรรมนี้ยเป็นธรรมที่ยากคนที่มีราคะโสดาโมหะรวบรัตบังตาแล้วเนี่ยมันไม่เห็นไม่ได้ง่ายเลยเห็นไหมก็เลยจิตเนี่ยน้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมก็คือไม่ไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมเป็นลักษณะนี้ พอมีความคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยอาสารบดีพรหมนะก็มีความคิดว่าตายแล้วแย่แล้วถ้าพรุทธเจ้าไม่แสดงธรรมนี่แย่แ น, แน่ๆเลยโลกจากพี่นาชิมหารก็เลยมาอาราธนาพระพุทธเจ้าขอให้แสดงธรรมโดยบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่ะสัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับเพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีไปนแน่ แล้วก็เลยอผู้นี้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยมาพิจารณาดูว่าจริงไหมที่สามดีพรหมพูดจริงไหมก็เลยได้รับฟังคําของสามบดีพรหมแล้วก็มาตรวจสอบดูว่าอ๋อศาสตร์ที่ดีก็มีไม่ดีก็มีมีอฉลาดก็มีไม่ฉลาดก็มีดอกบัวสามเหล่าต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณานะแล้วก็เห็นแก่บุคคลประเภทหนึ่งก็คือบุคคลที่เรียกว่า ถ้าไม่ได้เห็นหรือได้ยินฟังได้ได้ได้ฟังธรรมที่ตถาคตแสดงหรือฟังธรรมที่สาวกของตถาคตแสดงเนี่ยจะไม่ส า, ามาสามารถเข้าสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้แต่ถ้าได้เห็นอ่าได้ยินหรือได้ฟังธรรมที่ตถาคตแสดงเนี่ยหรือสาวกของตถาคตแสดงเนี่ยจึงจะเข้าสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้เพราะเห็นแก่สัตว์ประเภทนี้ <miss order. S 2> นะจึงแสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมก็ต้องแสดงธรรมแก่ทุกคนเหมือนกัน ทั้งคนที่ดีคนที่ไม่ดีคนที่ถึงแม้ว่าจะได้ฟังก็ดีอยู่แล้วก็จะต้องได้ฟังธําของพระพุทธาทั้งหมดอันนี้เป็นพุทธวจนะเลยนะคะในส่วนที่มีสหบดีพรมไปขอเนะะี่ยค่ะใช่เป็นสามเป็นพุทธวจนะท่าอาจารย์คะสหบดีพรมนี่เหมือนกับพรมสีหน้าที่เรารู้จักกันไหมคะอันนี้พระพุทธเจาเขไม่ได้ตราสนะว่าสีหน้าหรือเปล่าที่ว่าที่ว่าสีหน้าเนี่ยคืออะไรก่อน สีหน้าที่เราเชื่อกันว่าพรหมมีสีหน้าเนี่ยเพราะว่าคุณธรรมพระพุทธเจ้าตรัสถึงคุณธรรมของความเป็นพรหมนะพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายรูปรักอะไรต่างนะอธิบายถึงคุณธรรมของความเป็นพรหมว่าความคุณจะมีตําแหน่งเป็นพรหมได้คุณต้องมีคุณธรรมสอย่างหนึ่งคุณมีความรักความเมตตาไหมคุณมีความกรุณาไหมคุณมีความมุทิตาไหมคุณมีความอุเบกขาไหมถ้าคุณมีเดี๋ยวนี้เลยคุณเป็นพรหมละค่ะ อย่างนี้เราก็จะต้องขอบคุณพระพรหมพระสหามบดีพรหมด้วยสิคันนี้ที่ทําให้พระพุทธองค์ได้ตัดสินใจที่จะสั่งสอนแสดงธรรมแล้วก็แสดงธรรมเลยเลือกที่จะแสดงกับใครไม่ได้ต้องแสดงเป็นสาธารณธรรมคือแสดงให้กับมหาชนทุกหมู่เหล่านะคะตรงนี้เป็นคําที่สวยงามมากที่พระพุทธเจ้าตรัสกับสามบดีพรหมรับรองว่าอ่ะจะแสดงธรรมแหละบอกว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะ เราเปิดไปแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้มีสวดประสาทสัตว์เหล่านั้นจงโปงรงศรัทธาลงไปเถิดแย่นี้เปิดแล้วเปิดประตูไว้ให้แล้วใช่ใคร <c oughs> มีศรัทธาก็มาฟังซะ ส, สวดประสาทมาฟังธรรมค่ะได้ขอเพียงแต่มีศรทัทธาท่านก็จะมีโอกาสพบกับพระธรรมที่เป็นสุดยอดของพระธรรมเกิดแต่การตรัสรู้ของพระองค์เพราะวาผ่าพวกเราพ้นทุกข์ได้ไดนี่คือ พุทธวจนะที่ได้จากการเดินทางไปเยือนสังเวชนียสถานในส่วนที่เรียกว่ า, าพุทธคยาพุทธคยานะคะดินแดนแห่งการตรัสรู้ที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการกําเนิดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กําเนิดที่นี่นี่ยแหละคะ่ะยังอยู่ในทริปของสังเวชนียสถานนะคะเพราะว่าเดินทางไปครบทั้ง4ี่แห่งสําหรับคณะนี้ก็จะนํามาเสนอต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ น้มสักการขอบคุณพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุลโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีไว้ในโอกาสนี้ค่ะนมสักการ์ค่ะ